بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات ابن <سؤال> الخطاب الاسلاميه بالدمام تواصل معك اخي الكريم المصحف الشريف للاخ سعد الغامدي الشريط الثاني ويحتوي على سور الحج والنحل والاسراء נאنمบท الحجบท الحج อัลกุรอานมี 99 โองการมีจุดมุ่งหมายหลักคือการศรัทธาในอิสลามอันหมายถึงการให้ความเป็นเอกภาพแด่อัลเลาะห์การเป็นนบีการฟื้นคืนชีพและการตอบแทนหลักสําคัญของบทนี้กล่าวถึงการต่อต้านของพวกปฏิเสธศรัทธาที่มีต่อศาสนทูตในสมัยต่างๆด้วยเหตุนี้บทนี้จึงเริ่มต้นด้วยการเตือนสัมทับถึงการลงโทษอย่างสาหัส บทนี้ยังได้กล่าวถึงการเรียกร้องของบรรดานบีและได้ชี้แจงฐานะกีของผู้หลงทางและผู้ที่มีความทุกข์ที่มีต่อบรรดาศาสนทูตซึ่งเห็นได้ตั้งแต่ท่านนบีนูห์อาลัยสลามจนกระทั่งถึงนบีคนสุดท้ายคือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและนี่คือแนวทางปฏิบัติของผู้ปฏิเสธศรัทธาทุกยุคทุกสมัยบทนี้ได้เปิดเผยเห็นถึงสัญญาณต่างๆ ซึ่งได้แผ่กระจายไปในจักรวาลที่กว้างใหญ่ไพศาลซึ่งเป็นการชี้เห็นถึงร่องรอยของผู้สร้างมันขึ้นมาในเวลาเดียวกันก็เป็นการยืนยันถึงความยิ่งใหญ่ของพระผู้ทรงสร้างโดยเริ่มต้นด้วยทัศนียภาพของชั้นฟ้าทัศนียภาพของแผ่นดินทัศนียภาพของลมผสมเกสรทัศนียภาพของความเป็นความตายทัศนียภาพของวันรวมฝูงชนและการฟื้นคืนชีพ ทั้งหมดนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ผู้ทรงสูงส่งและเป็นการยืนยันถึงความเป็นเอกะและเดชานุภาพของพระองค์บทนี้ได้เปิดเผยถึงเรื่องของมนุษยชาติที่ยิ่งใหญ่คือเรื่องของทางนําและการหลงทางโดยอุปมาเรื่องของอาดัมอะลัยฮิสสลามกับศัตรูตัวชกาดคืออิบลีสที่ถูกสาปแช่ง และสิ่งที่เกิดขึ้นจากการคารวะของมาลาอิกะฮ์ต่ออาดัมและการหยิ่งผยองของอิบลีสที่ไม่ยอมคารวะและการทัดท้านของมันต่อพระบัญชาของอัลเลาะห์ตลอดจนสัญญาของมันที่ล่อลวงลูกหลานของอาดัมให้อยู่ในการหลงผิดจากเรื่องของอาดัมได้เปลี่ยนไปเป็นเรื่องของศาสดาบางท่านเพื่อเป็นการปลอบใจท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้เข้มแข็ง เพื่อไม่ให้ความหมดหวังและความเบื่อหน่ายเข้าไปสิงสู่ในจิตใจของท่านทั้งนี้ด้วยการกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของดับบีรูทซูไอและซอละรวมทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับประชาชาติต่างๆที่ปฏิเสธศรัทธาต่อต้านการเรียกร้องเชิญชวนและการเผยแพร่ศาสนาของพระองค์บทจบลงด้วยการเตือนท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ให้รำลึกถึงความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ด้วยการประทานคัมภีร์ฉบับปฏิหาริย์และใช้มีความอดทนต่อการถูกทําร้ายและถูกก่อกวนจากพวกบูชาจเวตอีกทั้งเป็นการแจ้งข่าวนี้ว่าชัยชนะที่แท้จริงแน่นอนนั่นจะเป็นของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาผู้ศรัทธาในระยะเวลาอันใกล้นี้ บทนี้ได้รับการขนานนามว่าอัลฮิจเพราะอัลเลาะห์ผู้ทรงสูงส่งทรงกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับประชาชาติของนบีซอละห์ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากตระกูลสมุทรอันมีถิ่นฐานอยู่ที่เมืองฮิจจ์ซึ่งอยู่ระหว่างเมืองมะดีนะห์กับเมืองชามชนชาตินี้มีร่างกายกำยำแข็งแรงเจาะสกัดภูเขาเป็นที่พำนักอาศัยและมีความเชื่อมั่นว่า จะอํานักอยู่อย่างถาวรด้วยความเชื่อมั่นดังกล่าวประกอบกับความหยิ่งผยองและการไม่เชื่อฟังอีกทั้งการต่อต้านผู้ประกาศเผยแพร่ศาสนาของอัลเลาะห์ในที่สุดพวกเขาจึงได้รับการลงโทษอย่างสาสมโดยเสียงกรรมอาณาทได้มาทําลายชีวิตของพวกเขาในเวลาเช้าตรู่บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออะลีฟลามรออิลกะอายาตุลกิตาบวัลกุรอานมุบีนอะลีฟลามรอเหล่านี้คือองค์การทั้งหลายแห่งคําพีและเป็นกุรอานอันชัดเจน ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาหวังกันว่าหาพวกเขาได้เป็นมุสลิมพวกเขากินและเพลิดเพลินและความหวังทำให้พวกเขาลืมและพวกเขาก็จะรู้ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ رَأَىٰ مِيدَ ทําลายหมู่บ้านใดนอกจากว่ากําหนดเป็นที่รู้กันแล้ว نَجْسِفُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلُهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ไม่มีกลุ่มชนใดจะเร่งกําหนดการลงโทษได้และไม่อาจจะทําให้ล่าช้ากว่ากําหนดได้ وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون لا พวกเขากล่าวว่าโอ้ผู้ที่ข้อตักเตือนอัลกุรอานถูกประทานมายังเขาแท้จริงเจ้าเป็นคนบ้าอย่างแน่นอน لو ما تاتينا بالملائكه ان كنتم من الصادقين ทำไมเจ้าไม่นํามาลาอิกะห์มาที่เราหากเจ้าอยู่ในหมู่ผู้มีสัจจะมานุนซิลุลมะลาอิกะตะอิลลาบิลฮักก์วะมากานูอิดัมมุนดอรินเราได้ส่งมาลาอิกะห์ลงมาเว้นแต่ด้วยความจริงดังนั้นจึงไม่ปรากฏว่าพวกเขาต้องรอคอย inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhunแท้จริงเราได้ประทานข้อตักเตือนอัลกุรอานลงมาและแท้จริงเราเป็นผู้รักษามันไว้อย่างแน่นอนwalaqad arsalna min qablika fi shiya'il awwalin ละโดยแน่นอนก่อนหน้าเจ้านั้นเราได้ส่งบรรดาศาสนทูตมาในหมู่คณะต่างๆเมื่อครั้งก่อนๆและไม่มีศาสนทูตคนใดมายังพวกเขาเว้นแต่พวกเขาจะต้องเย้ยหยันในทํานองนั้น เราได้ทําให้มันเป็นที่เย้ยหยันอยู่ในจิตใจของคนชั่วทั้งหลายลายูมมินูนบีฮิวะกอดคอลัตซุนนะตุลเอาวาลีนพวกเขาจะไม่ศรัทธาต่อคําพีอัลกุรอานและแน่นอนแบบอย่างของชนรุ่นก่อนๆได้ผ่านพ้นไปแล้ววะลอฟัตะห์นาอะลัยฮิมบาบัมมินัสซะมาอ์ฟะฎัลลูฟีฮิยะอรูจุ <whisky uncomfortable> <esek> <mind> <sharp> ถ้าเราเปิดประตูแห่งชั้นฟ้าแก่พวกเขาแล้วพวกเขาจะขึ้นต่อไปเรื่อยๆแล้วกาลูอินนะมาซกะเราะอับซารุนาบัลนะห์นุกออ์มุนมัสฮูรุนแน่นอนพวกเขาจะกล่าวว่าแท้จริงสายตาของพวกเขาถูกปิดกั้นไม่เพียงเท่านั้นพวกเรายังเป็นกลุ่มชน ที่ถูกเวทมนต์อีกด้วย وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ และโดยแน่นอนเราได้ให้มีหมู่ดวงดาวในท้องฟ้าและเราได้ประดับประดามันให้สวยงามแก่บรรดาผู้เฝ้ามอง وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرْقَى السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ لَـ رَاو ਡੈ ਰਕਸਾ ਮਨ ਹੇ ਫੋਨ ਜਾ ਸੈਤਾਨ ਤੁਕ ਤੂਆ ਤੀ ਤੁਕ ਸਾਬ ਚੈਨ ਵੈਨ ਤੈ ਪੂ ਤੀ ਐਬ ਫੰਗ ਦਨਨ ਦੂੰਦਾਵ ਤੀ ਲੁਕ ਚੋਤ ਚੂਆ ਜੈ ਲੈ ਤਾਮ ਪਿ ਬਫਾ ਮਨ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمِنْ لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ لَنأيْ فَأَلِنُّنْ نَنْ رَاوْ دَايْ ทําให้มีเครื่องยังชีพแก่พวกเจ้าและแก่ผู้ที่พวกเจ้ามิได้เป็นผู้ที่ให้เครื่องยังชีพแก่เขา وَإِمَّا شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم لا มีเครื่องยังชีพใดเว้นแต่ที่เรานั้นได้มีคลังของมันและเราจะไม่ให้มันลงมานอกจากตามสภาวะที่ได้ถูกกําหนดไว้แล้ว وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ فَأَضَيْنَاكُمْ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ لَأَرْسَلْنَا رِيحًا مَّسْخَّرَةً فَأَتَيْنَا بِسَحَابٍ ثَقِيلٍ فَأَنزَلْنَاهُ عَلَيْكُمْ مِّن بَرَدٍ فَأَغْرَقْنَاكُمْ وَمَا لَكُمْ لَا تَسْتَغْفِرُونَ เราเป็นผู้ให้มีชีวิตและเราเป็นผู้ให้ตายและเราเป็นผู้คงอยู่แต่เพียงผู้เดียววะลากอดอาลินนัลมุสตะกอซมีนมินกุมวะลากอดอาลินนัลมุสตะอคิรีนและโดยแน่นอนเรารู้ถึงกลุ่มชนก่อนพวกเจ้าและโดยแน่นอนเรารู้ถึงกลุ่มชนรุ่นหลัง وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ لَثَ جิง พระผู้อภิบาลของเจ้าคือผู้ทรงชุงนุมพวกเขาแท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงปรีชาญาณผู้ทรงรอบรู้ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ และโดยแน่นอน เราได้สร้างมนุษย์มาจากดินแห้งจากดินดำเป็นตมวัลจันนาคอละกูนาฮูมินกอฎรมินนาริสซุมลัจญ์นนั้นเราได้สร้างมันมาก่อนจากไฟของหล่มร้อน وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ لقدจงรำลึกถึงเมื่อพระผู้อภิบาลของเจ้าตรัสแก่มาลาอิกะว่า แท้จริงข้าเป็นผู้สร้างมนุษย์จากดินแห้งจากดินดำเป็นต้น فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ดังนั้นเมื่อข้าได้ทําให้เขามีรูปร่างสมส่วนและเป่าวิญญาณจากข้าเข้าไปในตัวเขาฉะนั้นพวกเจ้าจงโค้งคารวะต่อเขาเถอะดังนั้นมลาอิกะทั้งหมดได้โค้งคารวะ إلا إبليس أبا أن يكون مع الساجدين وإن تأ إبليس منปฏิเสธที่จะร่วมกับบรรดาผู้โค้งคารวะ قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين พระองค์ตรัสว่าโอ้อิบลิสทำไมเจ้าจึงไม่ร่วมกับผู้โค้งคารวะ قَالَ لَمْ أَكُن لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ مَنْ قَالُوا شَنْتَ จ่าไม่คารวะต่อมนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้างเขาจากดินแห้งจากดินดำเป็นตงดอ อَلَا تَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ พระองค์ตรัสว่าดังนั้นเจ้าจงออกไปจากที่นี่ แพติงเจ้าเป็นผู้ถูกขับไล่วะอินนาอะลัยกัลละอนะตะอิลายะอ์มิดดีนและแท้จริงการสาปแช่งจงประสบแก่เจ้าจนกระทั่งถึงวันแห่งการตอบแทนอะลาร็อบบีฟะอันดิรนีอิลายะอ์มียุบะอ์ธูนมันกล่าวว่าโอ้พระเจ้าของฉันได้โปรดประวิงเวลาให้แก่ฉันจนถึงวันฟื้นคืนชีพด้วยเถอะ قال فإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ โปร่งตรังว่าแท้จริงเจ้าอยู่ในหมู่ผู้ถูกประวิงเวลาจนกระทั่งถึงวันเวลาที่ถูกกำหนดไว้แล้ว قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ มันกล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันโดยที่พระองค์ทรงให้ฉันหลงผิดไปแล้วแน่นอนฉันก็จะทําให้เป็นที่เพลิดเพลินแก่พวกเขาในแผ่นดินนี้และแน่นอนฉันจะทําให้พวกเขาทั้งหมดหลงผิดอิลาอิบาดะกะมินฮุมุลมุคหลิซีนเว้นแต่วงบ่าวของพระองค์ท่าน ในหมู่พวกเขาที่มีจิตใจบริสุทธิ์เท่านั้นออลาฮาซิราตุนอะลัยยะมุสตะกีมพระองค์ตรัสว่านี่คือทางอันเที่ยงธรรมของข้าอินนาอิบาดีไลซะละกะอะลัยฮิมซุลฏอนุนอิลลามันอิตตะบะอะกะมินัลฆาวีนแท้จริงพวงบ่าวของข้าเจ้าจะไม่มีอำนาจใดๆเหนือพวกเขา เว้นแต่ผู้ที่ปฏิบัติตามเจ้าในหมู่ผู้หลงผิดเท่านั้นว่าอินนะจะฮันนัมมะลมอออิดุฮุมอัจมะอีนแท้จริงนรกยานนัมคือที่นัดหมายของพวกเขาทั้งหมดละฮาซะบะอะตุอบวาบลิคุลลาบบินฮุมจุซอ์มักซูมมันมี 7 ประตู สำหรับทุกประตูมีส่วนทิจักไว้แล้วอินนัลมุตตะกีนฟิญันนาติวะอุยุนแท้จริงบรรดาผู้ยำเกรงนั้นจะอยู่ในสวนสวรรค์และมีตาน้ําอูดุคูลูฮาบิซะลามินอามีนพวกเจ้าจงเข้าไปในนั้นด้วยความสันติ และปลอดภัยเถอะเราได้กระจัดความแค้นที่มีอยู่ในหัวอกของพวกเขาให้กลายเป็นพี่น้องกันโดยพำนักอยู่บนเตียงหันหน้าเข้าหากันและไม่มีสิ่งใดมาแตะพวกเขาและพวกเขา <coughs> منها بمخرجين. ความเหนื่อยยากจะไม่ประสบแก่พวกเขาในนั้นและพวกเขาจะไม่ถูกนําออกจากที่นั้น نذ بي عبادي اني الغفور الرحيم จงแจ้งแก่วงบ่าวของข้าว่าแท้จริงข้าคือผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ لَثَّهْجِينْ كَأَلُونْغْโททْ ของข้านั้น عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ لَجَاؤُهْ จง เมื่อพวกเขาเข้าไปหาอิบรอฮีมแล้วกล่าวว่าสันติเขากล่าวว่าแท้จริงเรากลัวพวกท่านกาลูลาเตาญันอินนานบชิรุกะบิฆุลามินอาลีมพวกเขากล่าวว่าท่านอย่ากลัวแท้จริงเราขอแจ้งข่าวดีแก่ท่าน เกี่ยวกับเด็กคนหนึ่งที่มีความรู้เขากล่าวว่าพวกท่านมาแจ้งข่าวดีแก่ฉันเมื่อความชราภาพได้ประสบแก่ฉันแล้วกระนั้นหรือแล้วเรื่องอะไรล่ะที่พวกท่านจะแจ้งข่าวดีแก่ฉันกาลูบัชชัรนากะบิลฮักฟะลาตะกุม นัลกานิฏีนพวกเขากล่าวว่าเราขอแจ้งข่าวดีแก่ท่านด้วยความจริงดังนั้นท่านจะได้อยู่ในหมู่ผู้สิ้นหวังกาละวะมันยักนะตุมินเราะห์มะติร็อบบิฮีอิลัลลูนเขากล่าวว่าและจะไม่มีผู้ใดสิ้นหวังในพระเมตตาของพระผู้อภิบาลของเขา นอกจากพวกที่หลงผิดเท่านั้นเขากล่าวว่าดังนั้นธุระอันใดเล่าของพวกท่านโอ้ทูตทั้งหลายเขากล่าวว่า แท้จริงเราถูกส่งมาเพื่อกลุ่มชนที่ทำผิดอิลาอาลุลุตอินนาลมัญจูฮุมอัจมะอินนอกจากบริวารของลูตแท้จริงเราจะเป็นผู้ช่วยเหลือพวกเขาทั้งหมดอิลามเราะตะฮูกัดดรรนาอินนะฮาละมินัลฆอบิรินเว้นแต่ภริยาของเขา เราได้กําหนดไว้แล้วว่าแท้จริงนางได้อยู่ในหมู่ผู้ที่ร่วมไปแล้ว ثان มา جا อาลูตนิลมุรซลูนกาลอินนุกุลกออมุนมุนกะรุนครั้นเมื่อพวกทูตได้มายังบริวารของรูตเค้าบริวารของรูตกล่าวว่าแท้จริงพวกท่านเป็นกลุ่มชนที่ไม่คุ้นหน้า اَلُوْ بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوْا فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُوْنَ พวกเขากล่าวว่าแต่เรามาหาท่านคือรูดด้วยเรื่องที่พวกเขาสงสัยกันอยู่และเรามาหา และแท้จริงเราเป็นผู้มีสัจจะอย่างแน่นอน فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَجْدَارَهُمْ وَلَا يَنْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ดังนั้นท่านจงเดินทางร่วมไปกับครอบครัวของท่านในเวลากลางคืนและจงตามหลังของพวกเขา และอย่าให้ผู้ใดในหมู่พวกท่านเหลียวหลังและจงเดินทางไปตามที่ท่านถูกบัญชาวะกะดัยนาอิลัยฮิดาลิกัลอัมรอันนาดาบิราอูลัยมากอฏูอุมมุสบิฮีนแล้วเราได้แจ้งแก่เขาถึงเรื่องนั้นว่าคนสุดท้ายของพวกเหล่านี้จะถูกตัดขาดในยามเช้า وجاء اهل المدينه يستبشرون لاชาวเมืองได้มาหาด้วยความดีใจ قال ان هؤلاء ضيوف فلا تظحون เขารุทกล่าวว่าแท้จริงเขาเหล่านั้นเป็นแขกของฉันดังนั้นพวกเจ้าอย่าทำให้ฉันอัปยศ และจงยำเกรงอัลเลาะห์เถิดและอย่าให้ฉันต้องอับอายอะวะลัมนันฮะกะอะลิลอาละมีนพวกเขากล่าวว่าและเรามิได้ห้ามเจ้าเกี่ยวกับการต้อนรับแขกดอกหรืออะละฮาอูลาอิบะนาตีอินกุนตุมฟาอิลีนลูทกล่าวว่า ราวนี้คือลูกสาวของชั้นหาพวกเจ้าจําเป็นต้องกระทําละอัมรุกะอินนะฮุมลีฟีซักรัสิฮิมยัมะฮูนขอสาบานด้วยชีวิตของเจ้าแท้จริงพวกเขาอยู่ในการมึนเมาหลงทางอย่างแน่นอนฟะอคัดตุฮุมอัศไซฮะตุมุชริกีน ดังนั้นเสียงกับบรรณาดได้ประสบกับพวกเขาเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นเราจะลนาอาลีฮาซาฟินาวาอัมดอรนาอะลัยฮิมฮิจาระตันมินซิจีลแล้วเราได้พลิกกลับส่วนบนของมันเป็นส่วนล่างและได้หินจากนรกหล่นลงมาทับพวกเขา ان في ذلك لآيات للمتأملين وإنها لسبيل مقيمแท้จริงในกาลนั้นแน่นอนเป็นสัญญาณแก่ผู้พินิจพิเคราะห์ทั้งหลายและแท้จริงมันสถานที่นั้นยังคงเป็นเส้นทางที่พักอาศัยอยู่เสมอไป ان في ذلك لایه للمؤمنين وان كان اصحاب الايكه ظالمين هاتين فيการนั้นย่อมเป็นสัญญาณแก่บรรดาผู้ศรัทธา และกระนั้นก็ดีชาวอัลไอกะเป็นผู้อธรรมอย่างแน่นอน سنقوم منهم وانهم ما بالايمان مبين และนั้นเราได้ลงโทษพวกเขาและแท้จริงทั้งสองพวกอยู่บนเส้นทางที่ชัดแจ้งอยู่แล้ววะละกอดิกัซซะบะอัศฮาบุลหิจรุลมุรซะลีนและโดยแน่นอนชาวอัลฮิดได้ปฏิเสธบรรดาศาสนทูตวะอาตัยนาฮุมอายาตินาฟะกานูอันฮามุอริฎีนและเราได้ให้สัญญาณต่างๆของเราแก่พวกเขาแล้วเราก็ผินหลังให้ وَكَانُوا يَلحِثُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ لِأَنَّهُمْ دَأَبُوا عَلَى ٱلْجِبَالِ بُنَى مَأْمِنَةٍ وَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ذَلِكَ أَنَّ ٱلصَّيْحَةَ دَمَّرَتْهُمْ فِي ٱلصَّبَاحِ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِنَّ ٱلَّذِينَ عَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ سَيَجِدُونَهُۥ هُنَاكَ جَنَّةً تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ไม่ให้ประโยชน์แก่พวกเขาได้เลย وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق وان الساعه لاتيه فاصفح الصفحه الجميل เราไม่ได้สร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองนั้นเพื่ออื่นใดเว้นแต่ความจริง และแท้จริงวันประโลกนั้นจะมีมาอย่างแน่นอนดังนั้นเจ้าจงอภัยด้วยการอภัยที่ดีเถอะอินนะร็อบบะกะฮุวัลคอลลาคุลอะลีมแท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้าคือพระผู้ทรงสร้างผู้ทรงรอบรู้วะลักอดะอะไตนากะซะบะอันมินัลมะตาลีวัลกุรอานัลอะซีมและโดยแน่นอน เราได้ประทานให้แก่เจ้าทั้ง 7 องค์การที่ถูกอ่านซ้ำและอัลกุรอานที่สำคัญนี้ลาตะมุดดันนะอัยนัยกะอิล่ามามัตตะอะนาบิฮิอัซวาจันมินฮุมวะลาทะฮะซันอะลัยฮิมวะคฟิดจะนาฮะกะลิลมุอ์มินีนเจ้าอย่าทอดสายตาทั้ง 2 ของเจ้าไปยังชนชั้นต่างๆของพวกเขา และอย่าได้เสียใจแทนพวกเขาและจงลดปีกของเจ้าให้ต่ําด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนต่อบรรดาผู้ศรัทธาวะกุลอินนีอัลนะซีรุลมุบีนและมุฮัมมัดจงกล่าวเถิดว่าแท้จริงฉันเป็นผู้ตักเตือนอย่างชัดแจ้ง كما انزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القران عظيما เช่นเดียวกับเราได้ให้แก่พวกแบ่งการศรัทธาคือบรรดาผู้แยกอัลกุรอานเป็นส่วนๆ تَوَ رَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ดังนั้นขอสาบานต่อพระผู้อภิบาลของเจ้าแน่นอน เราจะถามพวกเขาทั้งหมดอัมมา كانوا يعملون ถึงสิ่งที่พวกเขากระทำไว้รัสตอะบิมาตุมรและอาริดอะลิลมุชริกีนดังนั้นจงประกาศอย่างเปิดเผยในสิ่งที่เจ้าถูกบัญชาชี้และจงผินหลังให้พวกบูชาจเว็ดอินนะกะฟัยนากัลมุสตะฮซีนฮะติ เราให้ความพอเพียงแก่เจ้าต่อพวกเหยียดหยันแล้วอัลลซีนะยะญะออลูนมะอัลลอฮิอีลาฮันอาคอรฟะซูฟะยะอ์นุมูนคือบรรดาผู้ตั้งพระเจ้าอื่นเป็นภาคีกับอัลลอฮแล้วพวกเขาจะรู้วะละกอดนะอัลมะอัรรักยะฎีกศอดรกะบิมายะกูลูนและโดยแน่นอนเรารู้ว่าแท้จริง โชคของเจ้านั้นอึดอัดต่อสิ่งที่พวกเขากล่าวและสรรเสริญด้วยคำนมาซจงกล่าวสุบฮานะฮูวะบิฮัมดิร็อบบิกะวะกุมมินัสซาญิดีนดังนั้นจงกล่าวซะดูดีด้วยการสรรเสริญพระผู้อภิบาลของเจ้าเถิดและจงร่วมอยู่ในหมู่ผู้สุญูดละหมาดเถิดวะอับดูร็อบบิกะฮัตตายาติยะกัลยักีนและจงเคารพภักดีต่อพระผู้อภิบาลของเจ้า จนกว่าความแน่นอนคือความตายจะมาหาเจ้า